่รื <the> <pik naszym> <Huh> <the> <the> <os> ่ังจำต่ออีกเกียบส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเราพอมีกายมีใจก็เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมในความรู้สึกตัว ก็เป so ็นส okay. ่วนประกอบกับการละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เหมือนกันหมดทุกคนเอาไว้ละความชั่วเอาไว้ทำความดีเอาไว้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ชีวิตของเรานี่ทําได้นอกจากละความชั่วทำความดีที่เป็นภายในชีวิตของเราแล้วยังมี ภายนอกจะทำได้อีกสำเร็จมือห้านิ้วสิบนิ้วมีที่แบกมีที่จับมีที่หนีบมีที่ทิ้งมีที่ปล่อยมีที่วางากู้จหนักกูจก้จบบอลตัวทำได้อาไรที่ไม่ดีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีกำลังทำได้ให้มันดีได้ จะเป็นบัตถุสิ่งของอะไรที่เราใช้เราสร้างมันขึ้นมาได้สมัยก่อนนี่มาสองอยู่กันไปจนวนมากสมัยข้างพุทธกาลภิกษุสงหวังลูกใช้ชีวิตทำความดี ให้ส่วนตัวเสร็จแล้วใช้ชีวิตามความดีให้เจอหมูคณะไม่มากเดิน้าชงมองลูกเป็นเจ้าที่การเฉยหนาสนะนักซ่อมแซมกติใครลวกก็ติใครผูกกติใครฟังบอกปวารณาไว้ให้ใช่ผมบอกผมจะไปทำให้ จีวอนเกา่าจีวอนขาดตฤกการเสนาสนะเจ้าทิการจีวอนเอามาให้เย็บให้ปะให้ใต้จีวอนขาดเขาบอกนักเย็บทักปะปะด้วยฝีมือก็ตกรมทุกคนอื่นทานไม่ได้เหมือนท่านถ้าชีวนมัน จืดบัรจางไม่เลยมีสีสบบ<อ>กย้อมให้<อ>การย้มมอยมผ้าก็เป็นงานที่พี่ที่ที่ยา ก, ยกพอทุกวรสมัยก่อนต้องไปฟันเกศไม้สับเป็นเหมือนกับเหมือนกั บ, กบพัก แกนคูณแม่นบอกค้นเขี้ยวหมากตรองปดัด <c oughs> ลอกนนนนนนมันมวนอุเพอมาจมการย้อมผ้าสมัยก่อนเช่นนั้นไปเอาแฉงขนแนกนเมียดแกนเข่ ง, งเปือกเข่งงาสับงาสับแตกๆ ก, ก็ไปต้มก็ดูผ้าถ้าผ้าจำนวนมากกว่าฟักปาก รักเ็กมาต้มต้มจนน้ำแห้งจนน้ำแห้งเหลือแต่ต้มจนต้มจนสีมันออกอแล้วออกเอา ก, กากมันออกก อ, องออกแ้วมาต้มอีกจนน้ำแห้งจนจนมันเหลือแต่ขี้โคนผุนผุนของสีเหลือขี้โคนเป็นเหนีย<ๆ>วเหนียวเราก็เหนียวเหนียวนำไป ย้อมผ้าไปใส่น้ำร้อนอยู่ย้อมไผ่ย้อมเราต้องเอาไปจุ่มไปขามสารส้มเพื่อไม่ให้มันออกสองครัง้งสามครั้งงานย้อมผ้าสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อบวชไปใหม่ๆ ย, ย, ยังช่องผ้าแบบนั่นอยู่ <c oughs> นี่เหมือนสีสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันอะไรไม่รู้ ไม่ต้องย่อมอีกปะเขาไม่เห็นใครปะเยอะแยะเลยพระจีวรจะไม่กอันหายาก่าต้องเป็นผ้า้ายหนักยกกว่าในเมาวิวเจ้าดิการย่อมผ้าเจ้าดิการปะผ้าซ่อมชามกะดิอะไรต่างๆ ช่วยเพื่อนช่วยมิตรสนุกสนานกับการทำงานประเภทนี้แม้แต่พระไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระทหารก็ยังอาสาสมัครมีจำนวนมากในการอาหารแกกอาหารวิธบาทได้มา แ, แบ่งปันกันให้สม่ำเสมอ พื่ลูกเดียวต้องนับพระอะไรนิดหน่อยต้องนับให้ทั่วให้ถึงาแบ่งอาหารนี่ไม่เหมือนพวกเราทุกวันนี่ทุกวันนี่ย่าจมเป็นเจ้าการนาชีเป็นเจ้าทธิการเ จ, รารจอาทหารบนโต๊ะสมัยก่อนไม่ได้แบ่งแบบนี้อาหารก็มีพระจับ พรบาทเปิดไหว้นี่พระบาทวางอยู่แล้วก็อันดับแรกก็เอาข้าวทั้งปีตักไปตักไปตักไปตักไปพอตักใส่บาทล้วก็ดูถ้าพอแล้วก็พระบาทปิดถ้าไม่พอก็ยังเปิดบาดไว้อยู่ถ้าพอเราปิดพระบาทเรยทําทแบบนั่น แล้วก็ถ้าปิดพราบาทก็ไปไปต่อไปต่อไปต่อไปครับชิ้นสองก็มีอาหารด้าตักใส่เราก็ดูถ้าอาหารล้วก็ปิดพอดีของเราบางทีมีอาหารหลายอย่างล้วก็ตักโน่นตักนี้อันไหลที่เราไม่ไม่เป็นอาหารแสลงตัวเราเราก็ไม่เอา แล้วเป็ดไม่มีคําพูดกันเปิดเอาดูเอาปิดเอาถ้าไม่มมก็เปิดถ้าไม่เอาก็เปิดบาทแล้วก็แล้วก็วางฟ้าบาทไว้ถ้ามีรายละเอียดต่อไปมีผลไม้มีหวานแล้วก็ใส่ฟ้าบาทตามจํานวนของพระตามจํานวนของเสี่งของ บางทีต้องได้กักหมูแคบหมูสมัยก่อนได้แชบหมูแค่ปลายนิ้วราาจำนวนมากาเป็นทับบัตรได้ช็บหมูแล้วก็มาซอยแบ่งกันเจ็ดสิบลูกได้แชบหมูนิดเดียวได้ข้าวได้มากอยู่นานสมัยก่อนเป็นแบบทุกวันนี่ แม่คีแม่โจงเป็นเจ้าที่การอาหารตักที่บนโต๊ะได้เลยอาหารสดอาหารร้อนที่สุขโตนี่ยกออกจากหม้อไปตั้งให้เราจันก็มีความสะดวกมีสมัยก่อนทุกวันนี้เอาความสะดวกเพื่อปฏิบัติธรรมกันเถอะพวกเรา เอาความหนุ่มความสาวเพื่อปฏิบัติธรรมเอาความเท่าความแก่เพื่อปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำแบบนั้นมันเป็นภายในของเราให้มันพอดีมีสติทาให้เกิดความพอดีเป็นมักมันหลงเห็นมันหลงไม่ได้เป็นผู้หลงไหนคือมัดมันเิดมันถูกมันโกมันทุกข์มัน ลอยเทปังเกิดคือกับป่าเกับใจมีสติไปกําหนดเห็นเหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันหมดไม่มีวิธีต่างเบื่นใดเหมือนกับทําวัตถุสิ่งของทําได้ทุกชีวิตการปฏิบัติธรรมนะใครก็หลงใครก็ทุกข์ใครก็โกรธใครก็โลภใครก็มีกิเลสตัณหาใครก็มีลูกมีเมียใครก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องคนรักคนชอบนั้นแหละเป็นงานของเราไม่มันมาเราจะมีสติ รู้สึกตัวไม่ได้หลงไปกับปอยกับใจมันคิดความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์มากมายรื่นร่างกายก็มีอะไรที่เกิดขึ้นอีกมากมายมีความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมึนอะไรต่างๆมากมายมีสติได้เหมือนกันทั้งหมดเลยปฏิบัติธรรมมันสะดวกกว่าธรรมอื่น อันเดียวก็นว่นาหาวัตถุเป็นอันดับที่สองอันดับที่สามอันกายอันใจเรานี่มาอยู่กับเราสิ่งที่เรามืเกิดเมื่อเกิดผลไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่กายที่ใจเรานี้มาให้เราได้รู้ได้เห็นได้มีความรู้จึกตัวนี่เอาเถอะอะไรมาก็รู้จึกตัวให้มันพอดีพอดีท้อะไหลก็พอดี จะไปเอาจะไปทําสิ่งของก็พอดีถ้ามีสตินะมีความพอดีมีความเป็นกลางมีมัธยมกับทำการทํางานพอดีพอดีรู้จับความรู้สึกตัวมันมันเป็นมันเป็นเกจที่ีวัดให้เราทํากับอะไรกับอะไรให้อยู่ในความพอดีพอดี มันก็เป็นเครื่องมืออย่างดีกลวงรู้จึกตัวไม่ใช่เป็นทําให้เกิดมาเกิดผลอย่างเดียวตามริ่งอื่นก็เื็ความพอดีเหมาะแกการใช้ชีวิตเหมาะแก่การทํางานคนมีสติเนี่ยเหมาะแกการกระมานเหมาะแก่ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเจ้าของสิ่งของ มีวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามถ้ามีสติจะมีความพอดีใช้รถใช้ลาก็ก็ดีใช้มีใช้จอบ ใ, ใช้เสียบใช้เสื้อผ้าก็พอดีที่อยู่ก็กติสนาก็พอดีไม่เบื่อเถอะมีควารู้จักตัวก็ดีและมีความโลภระวังนะมีความอร่อยมากมามีขนมมีของกินในกติระวังนะ หนูจะขึ้นไปนะ <laughs> ถ้ามีก็เก็บให้ดีมีบาทนะถ้ามีบาทนี่มันใช่ได้นะสักผ้าก็ได้เก็บของเป็นคังก็ได้นะถ้ามีขนมมีอะไรที่มันของกินถ้าจำเป็นต้องเก็บไว้ก็ใส่บาตปิดไว้แล้วสิ่งของที่วางเกะกะหนูเข้าไปกิน เมื่อหนูหนูมันรู้จักนะมดก็รู้จักหนูมันรู้จักว่ากระตือลังนี่ไปหาก็ขึ้นมาขึ้นไปก็มันมาได้กินกับอาปาหนึ่งทั่วสองตัวมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, ขาพวกูไปอยู่งูได้กินงูที่กินหนูนี่ก็งูพิษด้วยนะงูก็ได้กินหนูอ่ะกระตือลังนี่ไม่มีู บางทีเราก็ได้กลิ่นมีเยื่วมีขี้มันมันก็ขึ้นไปหายใจขึ้นไปจนได้โฮเลยถ้าไม่ขึ้นไปมันก็ไปแอบอยู่ตรงไนตรงนั้นหรืออยู่ใต้กองอะไรที่ใกล้ใกล้กะติมีอะไรขยะที่ใกล้กะติมันรู่งเนอะของนี่ไม่เคยมีใครเคลื่อนไหวหลายวันแล้วมันรู่งจอดนะพวกสัตว์พวกโหเนี่ยมันรู่งจอก ขยะที่คนไม่ใช่กล่องของที่มีไม่ใช่หนึ่งวันสองวันสีวันห้าวันมันรู้นะเรวแสดงว่าไม่ได้ยกไปไน่นมันก็เข้าไปอยู่ที่นั้นเข้าไปอยู่ทนั่นเราก็ไม่เคยรู้อะไรจับของเทวันลลกลังก่อมือล่วงไปหละ ง, งูกัดตายเลยนะนะเพราะนั้นเหรอการอยู่ในะที่ไครัค่มีสติมันจะเดียบร้อย ไม่เจริญเจก็พ yes, mm hmm. sure อดีพอดีโดยเฉกความพอดีทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งของอะไรต่างๆใชมีดก็พอดีคนไม่โดยจะกาะความมีดห้ามีดหักไปหมดเลยขาดไปหมดเลยจอบเสียงควันอย่างนั้นจอบตอกจอบปะหอกตอกเสียมก็หอกใช้อะไรก็ให้เป็นถ้ามีสติมันจะพอดี ใช่มีใช้เฉียมใช่อะไรก็พอดีอใชยกดใชยลุ่มพอดีรู้จกักรู้จักชาเหมอะแก่การใช้งานใช้การคิดของเรานี่แต่ไม่ฝผิกตนสอนตนไม่เหมาะเลยสักอย่างก่อปุดก่เปียกูบล้อยความดีทำไรผูนผลผลเลนแอ้ตีข้องเนี่ยตีแรงกันไปมันมีพวามพอดีอ ตีดังกรงเมันที่จะ ด, ดังตุ่มันบังบังตีกองเพลงก็บันตที่ดังตุ ม, ตมปมก็องบึบึงเสียงคเสียงคไปถูกมันก็ดังเสียงค้อมากกว่าเสียงกองเสียงคยงให้ความพอดีต็มาก ตีแรงมากก็ไม่ไม่หตีเนียนกันไปก็ไม่ดีตีคล้องก็มีมีแบบฉบับตีค้องตีกองก็มีฉบับตีกองเช่นตีแล้วครั้งฉันทีบาทเป็นทีบาทใช่ไหมถ้าใครตรีกันนี่ไม่ใช่ประฉันนะไป ตีก็นเนี่อาจจะวิ่งหนีไปตีสีบะเตงเรียงสีบะไปฉัดข้าวไา้ถือมาถือบาตถื อ, องอกข้าวถือชามไปด้วยมีสิทธิฉันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แจงว่ามีเท่าไหร่ก็ไปฉันได้ตีละครตีแม่ เบ่งเงเงงงงงงงงงงงงต้งวิ่งนะปิดประตูหน้าต่างให้ดีตีอย่างนั้นตีชวนไปไม่บ้างโอนคุกขามบ้างฝงเลียงฝงเสือฝงช่างเข้ามาบ้างแต่ก่อนก็ไม่กังสดงแขนไม่ที่กะติไา่หลังหน้าหนะอรรถให้ผู้หญิงอยู่ มีอะไรปัญหาอะไรกังสดงเตะะงเปงแปงเป่งปงปงปงงหพ่อจะวิ่งถ <laughs> <usement> ีอ <belt> มีดมาเลยอ่าวาฮาฮ่าาเอาไว้จากพม่าหนักเต็งห้าสิบกิโลหอยขนาดนั้นต๋ขึ้นเครื่องเบ็นมาเดี๋ยนี่เขารักขโมยไปไม่มีอะไรไปดูไปเห็นเลยเสียดายมากนั่นดังมากนะอาไวจากพม่า เวลาฝนดีงมาเช่นเขาสวนหลวงตำหนักม่ชีกีนานายนตีฝนดิงมาเนี่ยต้องมันมาเหมือนกับหาฝนนะเรีงมันลงมาจากหลังเขานาชีก็ต่หลังัน่งเปงเป่งเป่ง่งเป่งเปงเปงเปงเป่งเเ่งเป่่เเงเป่งเ ขึนกะติปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเจ็บข้าวเจ็บของสบู่ในห้องน้ําในที่อาบน้ํายาซิฟันอะไรทั้งเก็บขึ้นไปปิดประตูหน้าต่างหมากะรูกน้่นโดยที่อะไรก็อวดลิง <c oughs> <c oughs> มันบ้าแต่ไปไม่ป่าต้าไม่มีอะไรกร็ข <c oughs> วรนไปสมัยก่อนจุกกระตูก็ตีก็คังแบบน ja. ี้นะไปไม่ป่า มองเหากวน ไ, ไปวิ่งมาถือมีถือ <Okay. S 1> เครื่องดับไฟอยู่สลานไก่สมัยก่อนซื้อเครื่องดับไฟ ป, ป่ามาไปเอาเครื่องดับไฟ ป, ป่ามาแล้วก็วิ่งไปสู้กรนะไฟเนาะตีข้องตีพอดีพอดีอดไม่ใช่ทีไม่ใช่เป็นหมู่เหมือนกับเหมือนกับตีกองเพลิน ตนะตเตเนน ะ, อ ก, ะ, เะ ก, ตอตกองฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮังฮุยฮุดฮันฮียฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุะฮุยยฮุยฮุยฮุยฮุยฮุยอง นี่ก็คือความพอดีของสติดีจริงๆสตินี่ไม่ใช่ไปสู่มรคลอย่างเดียวเป็นการมือมาทำงานทำการช่วยผู้ช่วยคนช่วยสัตว์ช่วยอะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นมามีน้ำใจมีมือห้านิ้วสิบนิ้วมีกำลงังมีความคิดที่จะช่วยเหลือ หาวิธีช่วยเหลืออะไรที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมีหมดบอกหมดในทิพริเจ้าได้สอนไว้หมดเราก็มาทำได้ทุกคนเห็นกายสักบากายไม่ใช่ชัดทุกคลตัวตนเราเขาทำด้วยแบบนี้อะไรที่มันเกิดกับกายก็ต้องมีความเห็นแบบนี้ ไม่ยาไม่ได้คิดถางใช่เลยเลยมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นเป็นเวทนาเวทนาจากว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตตโตตนลเขาใช่ใช่แบบนี้เกี่ยวกับสุขกับทุกข์อย่าไปอ๊ยตายตา ย, ตายไม่ไหวไม่ไหวอย่าไปใช่แบบนั้นจากว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนโลเขาจิตมันคิดไหลขึ้นมา ก็ให้เกิดจะเดันหาความจากความคิดอยอันคิดก็สักว่าคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหล่เขาไม่ใช่ไปตามมันทั้งหมดมันคิดขึ้นมาเรื่องไดให้รู้จักตัวให้แบบวิ่งเดือตู้ตอบทอกท้วงไม่ไปกับมัน เห็นธรรมวิมังเกิดอาการขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความผ่งงใสเป็นความงงๆงงหัวหนอนเป็นความหลังเลสงสัยเป็นควา ม, า ย, วามยากยากง่ายๆผิดๆถูกๆก็สักว่าธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัตลวตนเราขออย่าเข้าไปเป็นก็อบอกวิธีง่ายๆว่าเห็นอย่าเป็ี่ยนอย่าเข้าไปเป็นง่ายๆอย่างนี้อันเดียวอย่างเนี้ย จเลเลยอันเดียวเป็นสาวกของทุกชีวิตปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่คนละอย่างจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำแบบนี้จะเป็นพระพุทธชนเพื่อนพระสาวกคนดีคนชั่วทำแบบนี้ไปสอนใครก็สอนแบบนี้จนโจร้อยมหาจนเช่นอุริมานก็สอนแบบนี้ องค์ทีมันถือดาบไล่ฟันบอกให้หยุดจุดพเจ้าก็หยุดแล้วเราไม่ทำบาปทำชั่วแล้วเรารเห็นความชั่วเห็นความบาปทำบาปมันเป็นเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นถึง ท, ที่มันชีดจตนนั้นไม่ใช่เิตไม่ใช่เราองค็ทีบานได้ยินแบบนี้ก็โอ้ยอสะดุงเลย เกิดหนาไม่เคยได้ยินเคยพูดจยางนี้ อ, อาจจะเป็นพระเจ้าสิทธัตถะในก บ, บิณฑพัดลูกชายขอเจ้าสุโธทนะโอรสของเจ้าโธนะออกปวยจะเป็นโอ่งนี่กระมังที่เขาเล่าลือว่าพระเจ้าจะเป็นอ่งนี่กระมงังโอ้ยเราไม่ได้เห็นหรอกนานเหลือเกินไม่ยินไม่เคยได้ยินเคยพูดอย่างนี้ เปลี่นได้จทีงๆอาบะธรรมเมื่อไม่ดูถ้าไมมีสติไม่ได้ฟังเราไม่ทําชัว่วอยู่แล้วเหลือแต่เธอยังทําอยู่นอนสิงที่เราทุกข์อยู่นี้คนอื่นเขามาทุกข์แล้วทุกข์ส ม, มยัยทุกข์เพราะอะไรสิงที่เราโกรธอยู่นี้คนอื่นเขาไม่โกรธแล้ว จิงที่เรามีกิเลตัณหาอย่างนี้เขาเด่นเขาไม่มีแล้วไ ม, ไม่ใช่เ ห, เหมือนก่อนหมดเราก็เ ต, ตือนตนสอนตอนแบบนี้ยิ่งเรามีก า, าสนมาปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเป็นส่วนตัวมีสติลงไปให้เห็นตัวเองที่มันเกลขึ้นมาตัวเฉพาะเพื่อให้เห็นเรื่องนี้กัน วิธีเห็นก็มีก็มีง่ายๆเป็นวิธีการทาเป็นวิธีกวนมันวามเพียงเป็นการกวนกวนความไม่ถูกที่มันเกิดขึ้นนอกจากความถูกมีความรู้มันก็จะต้องเห็นความไม่รู้เกิขดขึ้นแน่นอนจึงเป็นงานของพวกเรา กำหนดเอาสิสิบวันเป๊บเดียวไปเราครึ่งหนึ่งเรายี่สิบวันไต่เราใช่ไหม ย, ยังไม่ท่องเวอร์ยังไม่ก้าวจะก้าวก็มีนะเอาเถอะหนทางเยินเหินหลมัจจิคำมัจจิพุ่มบอกวมัจจิข่าคำท้าง พายเธอทอาะลั่งรอบพายแต่วันจะสายตลาดจะว่ายสายบัวจะนําโบราณท่านว่าเที่ยวทางยืดเห่งหรลอยไม่จะคลห่งคือช้าไม่แต่พวกมอกบ่ามัมจะช้าคำท่างคนโบราณเกิดมาได้ยินค็พูดอย่างนี้เลยพว ก, กบอกว่า ความสุขบ้างความทุกข์บ้างความผิดบ้างความถูกบ้างความลัความชางความโลภความโกรธความหลงไปเป็นกับมันมันหลงก็หลงพัวบบวบไปแล้วมันสุขก็สุขเป็นพวบบวบไปแล้วมันทุกข์ก็ทุกข์ไปพวบบวบไปแล้วมันผิดก็ผิดมันสงบก็เป็นพวบสงบมันไม่สงบก็เป็นพวบไม่สงบเป็นพั่วบบวบ ไปจับไปเล่นมันอยู่ยไปสัมผัสมันอยู่อย่าไปพัวง้อพัวมากกว่าให้เห็นมันนี่ยมันสุขมันทุกข์มันผิดมันถูกอะไรที่เกิดขึ้นกับกากับใจเห็นอันนี้ล่ะไม่ชา ต, ต, ต่างยืนต่างใจก็ก็ไหว จางเข่าขึ้นชิบขึ้นโหยเป็นเข้ามือนครับใบไว้อย่างนี้นะถ้าชาติเข่าขึ้นชิบขึ้นบางทีไปไม่ถึงเลยหลงก็ยังหลงอยู่ทุกก็ยังทุกอยู่มีก็รสชาตินะความทุกข์เอาทุกข์ทเลยก็แสดงถือว่าเป็นทุกข์ที่จริงๆเศร้าหมองเกิงๆหน้าดําความเกลียดหัวใจเต้นเร็ว ไม่ปกติกินไม่ได้นอนไม่หลับไปเลยมันก็ฎชาแล้วเกลียบเกลียบมันแล้วความสุขความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากกายจากใจเรานี่มันทุกข์จากคนอนื่นก็มีข้างข้างเข่าวข่ า, ข า, ขาไม่มากมันก็มีอถ้าตัวเองไม่หลักดีๆแล้วมไม่ต้องกลั ว, ลวก็เดินเน่นเทา้าก็อื่น ส, นส้น สิ่งอื่นที่มันเสียายจสิ่งอื่นที่มันได้มาเอ็นที่มันเสื่อมลงคันมีรา้ทุกชีวิตถ้าเราไม่มีธรรมะจะคอยรับทุกข์รับโทษจริงเหล่านี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีความแก้ความเก็บความตาย ความพัฒภาจากของรักของชอบตายมีปัตนาชินใดบุได้ถึง น, นั้นมีความไม่สบายเจ็บไค้ใดพปวดมีมากนะทองอย่างไรก็นี่แหละกรร ม, มฐานนี่แหละมันจึงเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายก็เหนือเชิงรายได้เ็เอาลละชีวิตของเราถึงจดหมายแล้ว ถ้าจุ่มหายปลาทางกุ้มผ้าแล้วพี่เฮ้าที่เราได้เกิดมามีกายมีใจได้มาจากพ่อจากแม่เป็นสัญชาติยาน<ม>ต้องพ่อพแม่สืบพันวาวาเแม่อมันยังอยู่ยเพื่อไปทาเพื่อมาทำหน้าที่อันนี้ถ้าเรานะทำหนา้าทีน่นี้ได้สำเร็จ ก็เห็นคุณเหน็นค่าเหน็นคนนั้นค้าพ่อแม่ที่เราให้เกิดมาด้วยรูปได้นามมาให้มาทำอันนี้ว่าใช่มาเกิดมาแจ็มาเจ็ม า, เมาตายมาสุขมาทุกข์เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขามาเกิดมาเจ็บมาเจ็บ ม, มาตายโล่งห่มลงให้พระภาคจากของรักของชใจเป็นทุกข์ว่ไม่สบายกายก็าไม่สบายใจก็ เ, เป็นทุกข์ อันที่เราสาเร็จเนี่ยความพลดภาคจากของรลกของเจอบใจไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญามันเป็นทุกข์สังขารม่เป็นทุกข์เมื่เปิดก็ไม่เป็นทุกข์ความเกิดไม่เป็นทุกข์ความเกลียดไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์นี่คือความสําเร็จของคุณบุญคนที่เราได้เกิดมามาทําวันนี้ทําได้ทุกชีวิตมาเพราะเรามีสตินี่ย เห็นนะมันจะมีให้เราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแบบเมื่อีพันยาเกิดจากาน้ยจากใจเราเนี่ยไม่มีวิธีอื่นเลยหรอกมีเงินล้านเงินร้อยล้า น, านซื้ อ, อามาได้ซื้อความไม่ทุกข์เที่ยความไม่ทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายต้องปฏิบัติเราต้องทาําเอา จะไปขอจากใคร ก, กสสร็ไม่ได้อ้างลูกอ้างเมียอ้างทรัพย์สินสดึงขานไม่ได้มันต้องทําเอาเลี่ยนที่ใจเราเนี่ยมีสติเนี่ยอยากได้ต้องทําเอาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปขอไปอาไปาตนาอ้อนบอนไม่ได้เลยก็ทําตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยูอขันเข้ารู้สึกตัวเหยี้แขนออกรู้สึกตัวเนี่ย มีสติเนี่ยมันคิดไปแล้วกลับมาเนี่ยก้าวจากใ น, นี่ไปฉวนก้าวไปก้าไปเก้าไปรูปไปรูปไปรูปไปรูปไปอันรู่นไกลคมหลงไปมันไม่ใช่หมามันได้แหละมันไก่อยากคมหลงถ้ามีความรู้นะเวลาไปหลงกคาบได้ง่ายแต่มันมีอะไรก็รู้ได้ง่ายเพราะมันมีกําลังแห่งความรู้จากตัว มีวามรู้ตัวมีศรัทธาด้วยมีความเพียรด้วยมีสติด้วยมีสมาธิมีปัญญาเป็นพลังแห่งการทําอะไรได้ง่ายได้เรียกว่าพละห้าผู้เจ้าได้พละนี้ต่าไม่เกิดการตัดจลูกขึ้นมาศัทธาพละวิ ร, ยริยะพละสติปัจจะพละสมาธิพละปัญญาพละมันจะมีอะไรเหลือ ไม่ใช่จะไม่ใช่จไม่มีพลังผลังแห่งห้ายอย่างเนี่ยเพื่อไปเก้าข้ามห้วงน้ำโปคขาคาือเวียน่หยใสเกิดต้องมีอันนี้ไม่ใช่เงินทองต้องมีศรัทธาเมื่อทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่ว มีความเพียรเพื่อจะละวั่นความชั่วมีความเพียรเพื่อทำความดีโค้งหลงไปถูกต้องโคงไม่หลงถูกต้องแน่นอนที่สุดเกริมทุกข์ไม่ถูกต้องโว้งไม่ทุกข์ถูกต้องแน่นอนที่สุดเงโกรธไม่ถูกต้องโค้งไม่โกรธถูกต้องแน่นอนที่สุดนี่คือเรารู้อย่างนี้ว่าเชื่ออย่างนี้เวลาได้มาเกิดขึ้นเรา ปเปลี่ยนทันทีกระตือรือร้นนอะมันก็จะยืมได้เมื่อไผ่ไปนะเพราะมันเห็นมันทําได้ครับมือเราเนี่ยทําใจเนี่ยไม่ใช่หนักมือไม่ได้จับบอาไม่ได้แบบ<ต>เพียงแต่ทาใจสมมำทิถิ ก, การเห็นชอบการทำเลชอบไม่หนักน ก, การผูดจาชอบก็ไม่หนักการทํางานงานชอบก็ไม่หนัก การเลี้ยงชีตชอบก็ไม่หนักวงางผ้าเขียนชอบไม่หนักมีสติชอบก็ไม่หนักมีสมาธิชอบก็ไม่หนั ก, ก, หนกเหนื่อไม่ไหลน่าจะทําได้ทุกคนแล้วก็สะดวกที่สุดจึงเมื่อจึงไ ม, จไม่น่าจะสลัดสิทธิ์มันน่าจะโทษชีวิตอันนี้ให้หนีไป เราก็เป็นเพื่อนป็นม็ดกันอยู่นี่พระเจ้าก็บอกเราอยู่เนี่ยเวลาใดเรามีสติพระเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านั่นเองอยู่เฉพาะหน้านั่นเองมีสติที่ใดก็คิดถึงถ้าเราหลงอูพหูพระเจ้าก็บอกว่าไม่หลงก็ได้ยแล้วเราทุกข์พระเจ้าไปทุกข์ก็ดอยเลยอย่าไปกลัวเขี่ยแล้วเจ้าเขี่ยอยู่ พระเจ้าก็อยู่เฉพาะพหน้านี่เองถ้าเราปฏิบัติธรรมที่ไรมีกําลังใจมีศรัทธาอุ่นอกคุ่นใจอยู่กลางโลงกลางกว่ามีไรมู่งจุดจตัวก็มาเหมือนกับพระเจ้าอยู่ในที่เฉพาะหน้าของเราบางทีไอยู่ในดวงในป่าเดียวเปียวดายคนเดียวนอนในดวงในป่าโอ้พระพุทธเจ้ากระธรรมพระสงค์อยู่ด้วยกัน ชีวิตของหลนะงเ น, น่ยคนพ่อคนแม่ก็อยู่กับหลงครูบาอาจารย์ก็อยู่กับหลงไม่เปี่ยวเดียวดายอายอายพระเจ้าพระหลงออายครูอาจารย์อายคนพ่อคนแม่ทสังหารพ่อแม่ถ้าเราทุกข์นะพ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกข์ถ้าเราโกรธก็สงสารพ่อแม่ถ้าเราทำความชั่วสงสารพ่อแม่ ท่านเลีกรุกมาไม่อยากให้ลูกของท่านทําความชั่วให้ดวงท่านต้องเป็นคนดีไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์หน่ายเศ้าหน้าหมองเหยียเข็นลูกหัวล้ะยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตของเราต้องเป็นเช่นนั้นทําไม่ได้จริงๆความชั่วความทุกข์ส่งสัมพันพ่อแม่ละ่ะชีวิตของเราเ น, น่ยนะทุกคนก็มีพ่อมีแม่ ะ, ะนี่แหละ คุณค่าของเราคือทำความดีคือมีสติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนะสมควรใจเวลาแล้วกลับหาค้อมกัน